พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จาลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอยู่ห่างวัดจะถูกจัดการจากกิเลสกันได้เรายะเอาเนาะ ผู้ค้าได้แล้วสันบอเอาเราค่สันเอาไปยังเอาไปเอาไปถิป่มไว้ซื่อเอาให้ผู้อื่นตลับเนินตั้งเกือบร้อยบาทพระาะานั้นสุจริตเนลเปนราคาถือได้นะบกเป็นเสีย้าถาเป้าฟูดฟาดพวนไอ้อันนี้เกือบร้อยบาทเนี่ยกระเป๋ยาใหญ่ๆน่ยปดร้อยบาทนพราะนั้นห่จีแฉกห่เบิ้งเหลวเบิงอีกคนไปเบิงหอดหัวหอดตีนตีนหอดหัวหัวหอดตีนน่ค่อยจีแกคนไป พ่อแม่สิตแจกซุ้มชี้ชหวัวพรอแจก่ปแล้วเอาไปเอาไปหมุนเอาไปหมุนหัวเหล็กนี่สิม้แม่แนวนอนไปพราะนั้นหลวงพอ่อจะพอแจกง่ายๆแต่นั่นตลับนั่นแปลว่ามันมีอยู่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าตลั บ, บไปเจ็ดสิบกว่าตลับราคาเกือบแปดรอแต่จะต้องบ่กไม่ๆบอกได้ที่ไหนเจ็ดร้อยห้าสิบนะว่าเจ็ดรยห้าสิบ แต่เบิงๆแหลขึ้นมาอีกแต่ลงพอของท่า น, นถามและรายละเอียดบางอาจจะลดอาจจะขึ้นก็พอหูแต่ว่าเอ็มพสที่จะมาแจกข่าวนี้นะ่ยแจกงานกระถินข่าวนี่เจ็ 0,000 กว่าบาทนะสัทธาญาติโยมลูกหลานนะเจ็ดแสนกว่าบา ท, นะะทาาตานนะค่าแจกเอ็มพีสามนะพอเป็นสีเสียค่าถาฟูดฟาดเลยนะทีเพราะนั้นสีแจกแต่ละเธอ่ยตรงเบิงคิดแล้วคิดอี ก, ข, อกขึ้นกัน มีประโยชน์บอกันบวมีประโยชน์จะแจกไปให้ยังคือกันก็นไปวานเม็ดเขาลงใส่หินดาษนั่นสินะอ่าวานไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่นะมมันก็บวเกิดมันหงอกโป่งเอ้ยเราวานเขาเขาปลายเม็ดเขาเขาปลามันก็บเกกวเกิดประโยชน์ก่อนเสียวานก็นต้องเบิ้งซะก่อนเออสัต ย, ย์ทายแยดนุ่มลูกหลานไฟใจในการฟั่งบอ การไฟในไฟในการฟังยังคอยแจกนะว่าเม่อฉีแจกหาเสียงเลยหลงพรา อ, อินมันดังพ่อแห้งนะจะไปหาหายหายอย่างอีกเสียงว่ะจนหาจิแลนนี้แล่นนี้จะค้นนะเด็ดเด็ดนี่แต่ละมือต่ออีกสักน้อยนะี่ยทั่วไปหลงตาตไปอยู่วัดบ่เอยแลนลบค้นหมดไปขี่รถนางรถมันแมน่ในธรรบาดเนะี่ยขันพนอยู่วัดเหมืนบ่ละ กั้นลงตาอยู่วัดขั้นลูกศิษย์เก่าแก่มากอย่างนี้ยังเถากแก่ลั่นมั่นนี่ยหี่ก็เถากแก่ล้านมั่นมาหาโลกตาได้เอาเส้นดนหนนอย่างไรมาหาขอพบกับเพื่อนแด้วเอาเส้นนี่ป้พบกับอะไรว่นเราไปย่อมเก่าแก่วันเราไปเอาไปมากเพื่็มากพูดันมากพูนีมากเอาไปมากเอื่นมมากอีกพูันมากพนดีมากตายลยบ้านนี่เออไม่จะหนีเธอแล้ววันเราไปท่างเดียววนเรไปหนีค้นวันเรไปนี่แหละ ลงตาหนีคนหนียังสัตวเนี่ยหนีลูกชิดเกาแก่เราไปอ่าพอาะลูกชิดเกาแก่มากในเฮ็ดยังไงล่ะเอสีบบพบกบไดเป็นผูมีบุญ ม, มีคุนต่อกันหูจักกันมาก น, น, น่มนั่นได้สะไปหับกบไดบา้านมัดลายในบ้านลูกชิดเกาแก่นี่ก็ได้มาเจ้าก็จักลอยสักพันผู้นั่นก็มากผู้นี้ก็มากท้งลูกทางหลานก็มากขั้นบอหับก็บเหมือนกับว่าบอหา ความสำคัญในตระกูลหรือว่าศรัทธาหยาติโยมเก่าแก่ของเพลนนี่แหละอันนี้แหละเพลนของบัวได้คืนรับในตายคือกันกับนักมวยหนะ่อยทเก่งบ้านนี้เกง่กเกงคืนไปชกชกกับพวกนี้แล้วผู้อื่นก็นมาชกต่ออีกชกต่ออีกเอาไปม้าหดแพรหดมวยเลี่ยงควายไปนะเหตุยังไงพระมันเหมดอนกลังเลย อันนี้คือกันคนระูบาอาจารย์ที่รับแขกรับคนบจักเวลาเวลานะ่ตายกันนไปเพราะนั้นครูบาอาจาจรย์จึงลบรักษากัรรักษาไบก็ไดอายุก็ะยืน่นจังางลงพอไปจากวัดเชียงใหม่วัดเชียงใหม่พวกคนเก่าแก่โอ้ย สมัยก้อนบพพอใจโตหนูอุหลงปู่หนูอาจารย์หนูหาว่ากีดกันหลงปูแหวน เ, เห็นมากีดกันหลงปูแหวนบอกให้ผู้ใดเข้าไปพบไปกราบไปไหว้พอมาเดี๋ยวนี้หลังค่อยยุ้งยูจักบุญคุณอาจารย์หนูแตกันเพื่อนบอกันบอบอ บอห้ามคนโอ้ยหลวงปู่ทีอายุถึงเก้าสิบปีบอกัตนคนมันมาล้มมาต้มมดมือมัดแขนนะอาจะนะารย์ไไอไทยเชียงใหม่เขาวาวันไปเอ่เนี่ยคอยขึ้นถึงบุญคุ้นของหลวงปู่หนูอาจารย์หนูปู่หนูที่รักษากรีดกันบอให้คนเขาไปรบกวนหลวงปู่แหวนมากเกินไปนี่แหละถึงข้าวเนื้อมันก็ต้องได้ห้ามต้องได้เบิ่งกันคุบาอาจารย์พระผูพุ่านะ แต่หลวงพ่อบนี่บอกยบอกยื่นไปน่ะหรอกพ่อปลายประเด็นคื อ, อกันใจไปแล้วหลวงพ่อให้ถามโอ้ยคุณแม่ฉันอาตมาเนี่ย่านเ่าแล้วเช็ดจะไหนย่านเ่าก็ตายซะคูเ่าวะ่ะคุณแม่ชื่อแก้วออเออแมนแมนแมนมาขั้นย่านเ่าก็ตายท่นเนี่ขั้นบ่ตายขั้นเาแท้ๆแล้วทั่วไปขั้นบ่ตายเ่าแท้ๆทั่ไป พเพ า, า, านั่นผู้เฒ่าว่าขั้นญาติข้ยญานเฒ่าก็ตายซะท่านผู้เฒ่าว่าเออแม่นว่ะเข้ายังจําบุริมบุรุษไปผู้ขาเลยตลวงพ่อเห็นคุณแม้วันนั้นไปนางเหยียดขาเลยกัเขี่ยวหมากเลยเอาปูนแ ต, มแต้มผู้เน่ยแต้มจะต้อยต่อยอย่าง น, นไปแต่ก็เขี่ยวหมากเขี่ยวแล้วคายแล้วก็เขี่ยวโอ้โอตาตายตายชีวิตแต่ละมื่นแต่ละเวน้นนิดน้อยเป็นตา ญาตเล่านี่วะวะเานี่ยเป็นตายาแท้แท้วะชราเนี่ยวะโรคชาลาเนี่ยเป็นตายาดแท้แท่วะไปใส่บ่อดเป็นผ้าละกับปลูกกับร้านโอ้คุณแม่คุณแม่อาตมานี่ยญาติแท้แท้เถาเนี่ยวะเฮ็ดจังไหนรอยขันญานิเถาก็ตายก่อนซะพ่กเ่าจะเฝ้าเ่าวะนแมนแล้ววันนี้เป็นวันที่สิหก ตุลาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน11วันออกพรรษาวันที่8เวันเดือน11เพเป็นวันออกพรรษาออกพรรษามาวันนี้ได้8วันนี้วันนี้เป็นวันพระแต่กระถือยังไงศรัทธาญาติโยมก็ยังมา วัดสู่วัดวาศาสนามารักษาศีลอย่างสืบทอดอยู่กระทำไม่จริงก็ถ้าผู้เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราไม่ควรจะห่างเหินถึงจะไม่ได้มาวัดอย่างวันพระอย่างนี้เอาเถอะข้าพเจ้าไม่ได้มาวัด สูวัดว า, าสนาข้าพเจ้าจะรักษาศีลสมาทานศีลอยู่ในบ้านถ้าเมื่อมีโอกาสาก่อนเสียสละมามาสู่วัดว า, าสนามาสู่วัดทาว่าเราจะรักษาศีลแต่อยู่ในบ้านอย่างเดียวเออเอาปรมาติอย่างเดียวเราไม่มาวัดรักษาศีลอยู่ในบ้านนี่แหละรักษาศีลอยู่ที่ไหนก็ได้หลวงพ่อเคยพูดให้ฟัง แต่หลวงพ่อไม่ได้เถียนไม่ได้เถนตรงนะไม่ได้พูดหน้าเดียวแต่ว่าพวกเราจะรักษาศีลอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มาวัดเลยต่อไปเลยศีลของพวกท่านทั้งหลายมันจะสนิมมันจะเกลดขึ้นไปเรื่อยๆผลที่สุดมันสู้กิเลสไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาสู่วัดวาศาสนาไม่ได้มาเห็นหมูพวกเพื่อนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟัง ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เห็นตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังผลที่สุดก็มีตัดใจตัวเองคิดคิดโดยมากมันใจของเรามันไปทางกิเลสทางต่ําอยู่แล้วพออยู่ต่อไปนานๆเข้ากิเลสของเราโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีมันจะเข้ามาครอบงำจิตใจผลที่สุดก็เลยมืดบอดไปในที่สุดก็เลยตาเรือลงบัตรจอดตาบอดเมื่อแก่ ไม่ดีนะอันนี้สิ่งเหล่านี้ให้ฟังเอาไว้ควรจะศึกษาควรจะมาสู่วัดวาศาสนาบ้างควรจะได้ยินครูบาอาจารย์หรือได้เห็นหมู่พวกเพื่อนเป็นการเสียวนาการสนทนาปารบในหมู่ในคณะในกลุ่มของเราอย่างน้อยก็ได้ปรึกษาปารบกันอืดอันนี้ทำอันนี้สินอันนี้ทำอันนี้ควรประพฤติอันนั้นไม่ควรกระทาสิ่งเหล่านี้พวกเราจะได้ มาพบกันมาพบค่าสมาคมกันในวัดวาสศาสนาเหมือนกับศาสนาอื่นเขาเขา้าละห ม, มาดหรือว่าเข้าโบสถ์อะอย่างนั้นหละอันนี้พุทธศาสานาของเราก็ควรจะถึงจะไม่เปีย้ยอย่างนั้นทีเดียวกับพวกเราก็ควรจะคำหนึ่งไวเหมือนกันเพราะว่าพุทธศาสานาเนี่ยเป็นศาสนาที่อยู่ด้วยกันมีเหตุมีผล ในกลุ่มของพวกเราพวกนั้นวันพระหนึง่งอย่างวันแปดค่ํา15้าค่ํำเราก็ควรเสียสละมาตอนเช้ า, ามาเพื่อทําบุญแล้วก็มาพบกันแล้วก็สมาทานศีลถึงหลวงพ่อจะไม่ให้ศีลอย่างวันนี้หนะลวงพ่อคงจะไม่ให้ศีล น, นะพอออกพรรษาแล้วหลวงพ่อจะไม่ให้ศีลแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้สอนไว้แล้ว ว่าศีลน่ถ้าหาว่าพวกเราตั้งจิตสมาทานวิรจเจตนาอย่างวันนี้นะเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิเอข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถในวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันนี้เพียงเท่านั้นก็นเป็นศีลแล้ว ข้าพเจ้าจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างที่พวกเราเคยรักษาในพรรษาลักษณะอย่างงั้นตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานวิรัตเจตนาเจตนาหังพิกเวกัมมังวดาไม่เจตนาเป็นหลักถ้าว่าพวกเราตั้งจิตวิรัตเจตนาแล้วเป็นศีลขึ้นมาในตัวของเราเองเรารักษาเอง แล้วก็เราตั้งสัจจะเองล้วก็รักษาี่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีลคือรักษากายวาจานะให้ฟังเอาไว้ว่ากายวาจากายก็คือการกระทำทางกายวาจาคือคํอาพูดรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ว่าใจนะ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าตัว น, นั้นยังอยู่ลึกนะแต่ถ้าเราใจคิด คิดอยากจะฆ่าเขาเนี่ยคิดจะฆ่าเขาก็ยังไม่ผิดศีล น, นะเพราะว่ากายยังไม่กระทําวาจา ย, ยังไม่พูดออกไปใจคิดจะขโมยของเข า, เาแต่เรายังไม่ได้ขโมย เ, เรายังไม่ได้กล่าวแนะ่บอกให้คนอื่นไปขโมยยังไม่ผิดศีล น, นะากาเมสุมิชชาจารย์ก็เหมือนกันสามีภรรยาถึงเราจะคิดล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นก็ตาม ผิดศีลผิดธรรมก็ตา่างอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมน ะ, ะมุสาก็เหมือนกันสุราก็เหมือนกันถ้าคิดเฉยๆเนี่ยยังยังไม่ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเมื่อเราลงธรรมลงไปลงธรรมกระทาไปพูดลงไปอันนั้นผิดศีลแล้วนะทีนี้ศีล น, นี่คือรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล แต่มันผิดอะไรถ้านเราคิดเฉยผิดธรรมธรรมคือแนวความคิดเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฐิในธรรมนีกว่าการทากรรมทำได้สามทางการทากรรมทได้สามทางทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทากรรมกับชั่วกรมดีนะคำว่ากรรมเขานี้เป็นคำกลาง ยังไม่จัดว่าดีหรือชั่วแต่ถ้าว่าจัดเข้าไปนะเมื่อทำลงไปนะทำกรรมดีเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลเป็นบุญถ้าทำกรรมชั่วหรือว่าอกุศลกรรมคือกรรมชั่วการทำกรรมทำได้สามทางคือมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนันคืออะไรคือใจเราคิดพยาบาทเขาหนึ่ง เห็นผิดจากคลองทำหนึ่ง hn, เห็นปยาบาดหนึ่งอาฆาตจองเวรเขาหนึ่งแล้วก็เห็นผิดจากทํานองคลองทำหนึ่งตัวสุดท้ายคือเห็นผิดจากทํานองคลองทำนี่แหะกว้างขวา ง, วางคิดไม่ดีพูดง่ายง่ายคิดจะจะข่าคนอื่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอันนั้นคือคิดไม่ดีส่วนทําไม่ดีเนะี่ยคือออกมาเป็นศินห้าแล้วนะเหนไหมธรไม่ดีนะ เป็นกายกรรมล่ะฆ่าขโมยประพฤติผิดศีลธรรมในสามีภรรยาแล้วก็ข้อที่ข้อที่หนึ่งผิดด้วยทางวาจาคือมูสานะมูสาโกหกต้มตุนหลอกลวงนะมูสาสุราเนะี่ยตัวในดื่มอาการดื่มคือใช้กายเหมือนกันกายดื่มสุราเนะ่ใช่ว่า กายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามคือโลภอยากจะได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดอยากทํานององคลองทำหนึ่งคือความคิดทางในใจวจีกรรมสามก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบมโนกรรมสามก็ฆ่าสัตว์กระโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนี่แหละ อันนี้ก็คือสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลต์การสําสรวมใจน่อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะต้องมีสมาธิท่ีนะที่จะตรวจตราดูเข้าไปคมุมควบคมุมแนวความคิดนั่นคือสมาธิเท่เนศิล์คือศิลห้า รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวสิคือสินห้าสิลปิองร้อีสิบส 12, สองสมมาเนสและก็สินพระสงฆ์227ออันนี้คือสิลคือธรรมนั่นก็คือสินสมาธิธรรมและก็ปัญญาแต่ตามไม่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกั น, นมันก็นเหมือนกับลูกโซ่ที่อยู่ด้วยกัน เราจะเอาใจสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีศีลถ้ามีศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีสมาธิหรือมีปัญญาประปรุงแก้ไขให้เห็นโทษในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเรามีแต่อันใดอันหนึ่งมันก็ยังไม่ควบคุมกันเพราะฉะนั้นควรจะมีตั้งเริ่มตั้งแต่มีทาน มีทาน ค, คือการเสียสละเ้าคนไม่มีการให้ทานไม่มีการเสียสละเลยคนขีดตนีทีเหนียวอย่าหวังเลยที่คนคนนั้นจะเดินไปในทางที่ถูกต้องไปที่ไหนก็เกะกะไ ป, ไปที่ไหนก็ไม่ราบรื่นทั้งนั้นแหละถ้าคนมีทานมีเป็นเสียสละแล้วก็คนมีศีลแล้วก็มีสมาธิด้วยอันนั้นแหละคือไปในทางที่ถูกต้อง แต่คนมีแต่สมาธิอย่างเดียวใช่ถ้าเราไปอยู่ในป่าลงพงไพ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเป็นฤาษีสีไพรอย่างนั้นอ่ะถ้าอยู่ในปา่าอันนั้นเราภาวนาหรือปฏิพฤติปฏิบัติถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับคนอยู่เนี่ยมันต้องมีสินอ่ะมีศินคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยล้แล้วก็แล้วก็มีมีทานคือการเสียสละ ต่อเพื่อนมนุษชาติอย่างน้อยก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้เป็นธรรมทานนะนี่แหละการอยู่ด้วยการกับหมูมวลมนุษชาติมันต้องมีทานมีศีลแล้วก็ภาวนานเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เข้ามาสู่วัดวาศ า, าสนาศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญรักษากายเป็นรู้ เ, เป็นอาภรณ์เป็น เครื่องอยู่ของการเป็นอยู่ของพวกเราจะให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องเป็นภูิมีสินทางว่าคนเราไม่มีสินคิดดูให้ดีกัแล้วกันความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจกันไม่เกิดในในชุมชนกลุ่ม น, า น, านั้นระแวงแคลงใจกันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่รู้ใครจะโลภยังไง กฎหมายตั้งแล้วตั้งอีกพูดแล้วพูดอีกมันก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะศีลธรรมอยู่ในจิตในใจคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในใจมันขาดถ้าคนมีศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจพูดกันไม่ได้พูดมากแล้วพูดอย่างนี้อย่าทอย่างนี้นะแล้วก็จบก็รู้กันก็ต่างคนก็ต่างรู้กันแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยมันเล่เลม ชั้นเชิงอะไรต่อมีอะไรมาหักมาล้างกันผลที่สุดก็คือกิเลสนั่นนหะกิเลสภายในจิตใจของเรามันไม่ยอมพอมันไม่ยอมออกมากันนั่นแหละมันก็ต้องเฉือนกั น, นเฉือนกันด้วยกิเลสต่างคนก็ต่างมีผลที่สุดก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายมีที่รับและมีที่แจ้งแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อันไม่มีที่ลับที่ไม่มีที่ับที่แจ้งนะ่ะเพราะอะไรเพราะทำสิ่งไหนที่มันมันชั่วแล้วมันก็ชั่วอย่างเก่าทำดีที่ไหนมันก็ดีอย่างเก่าถึงใครใครจะไม่รู้แต่เรารู้รู้แก่ใจว่าอะไรไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอันนี้คือชั่วนะอันนี้คือดีนะทั้งที่เรารู้ว่าความชั่วแต่เราจะเบียดเราจะเบนไปทางไหนหนีหลบกฎหมายนะ ทั้งที่เรารู้ว่ามันผิดกฎปยมันผิดศีลธรรมจริยธรรมแต่เราจะทำยังไงเพมันให้มันผิดกฎมาให้มันเอาไปทางไม่ให้มันผิดน ะ, ะนี่เรารู้แก่ใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยทำคำสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนะี่ยทำคือหลักเหตุผลนะถ้าเราจับไฟดูซิทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็าตามนี่นคือไฟมันร้อนไหมมันร้อนอนี่แหละ จับในที่แจ้งจับในที่มืดจับในที่สาธารณะจับในที่ไหนคือไฟแล้วมันร้อนนั่นนั้นอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วนะเน่เราจะจับนาจะทำน่าจฐ า, านที่ใดก็คือความชั่วเนี่ยแหละหลักธรรมถ้าคนมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีคุณธ ร, รรมในจิตใจแล้วจะไม่ทำในสิ่งที่มันชั่วเสียหายนั้นๆ น, น, นั้นก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สิ่งที่มันชั่วจะทําเสดดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดย้ําแล้วย้ําอีกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพระการสมาทานศีลหรือการรักษาศีลของพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสมาทานตั้งเจวิริยเกตุนารักษาศีลเลยเป็นศีลได้ไม่ต้องรับกับครูบาอาจารย์แต่ถึงมีความจําเป็นไหมจะต้องมาวัดอันนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ถ้าเรารักษาศีลไม่ห่างเหินจากหมูเพื่อนไปเรื่อยๆกิเลสโลภโกรดหลงมันจะเกิดเป็นสนิมเกาะจิตก่อใจของเราผลที่สุดเราไม่ได้คบค้าสมาคมไม่ได้พูดคุยไม่ได้สนทนาปารบกับสหธรร ม, มิกหมูพวกเพื่อนผลที่สุดก็หลงเลือนเรือนรางเข้าสู่กิเลสโลภโกรดหลงในที่สุด อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเรือล่มบัดจอดตาบอดเมื่อแก่จะเข้าเนี่ยทำนองนั้นถ้าเราห่างเหินจากหมู่จากเพื่อนเกินไปแต่ถา้ามีคุณธรรมในจิตใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าว่าเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันในจิตใจแล้วน่ยถึงจะห่างหมู่เพื่อนขนาดไหนยังคือยังเป็นธรรมอยู่ในจิตใจไม่มีเจตนาอะไรทั้งหมด เออมีแต่ผู้มุ่งมั่นหยในจิตในใจอยู่ตลอดนั่นคือเป็นผู้มีธรรมในจิตใจที่เป็นหลักแล้วถ้าว่ายังไม่มีหลักอย่างนั้นแล้วเนี่ยเออเป๋นะเออเรือนลางเ ป, เป๋เป๋ไปในที่สุดเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทกท่านน ะ, ะต่อนนี้ไปพระสงเจ้านุโมทนาให้พร